พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พ อ, อมันรู้เฉยๆแล้วอ่ะพอมีสติปุ๊บมันเห็นอะไรแบบเยอะเลยค่ะอารมณ์ที่มากระทบเบาๆอ่ะแม้แต่อารมณ์เบาๆจางๆมันก็รับรู้มันก็เห็นละเอียดขึ้นนะคะลหลวงพ่ อ, อ ม, มันเห็นละเอียดขึ้นจนกระทั่งเห็นมานะทิชชี่ชัดขึ้นเห็นความฟุ้งซ่านชัดขึ้นแบบ มันเห็นไอ้ตัวกิเลสที่ละเอียดอ่ะที่หนูไม่เคยเห็นอ่ะชัดขึ้นค่ะเพราะว่าสติมันอยู่กับเราแรกๆอ่ะเกือบทั้งวันแล้วก็หลังๆมาก็คือทั้งวันอืมพ <c oughs> อ, อมพอเห็นพอรู้เฉยๆมากขึ้นจนวันหนึ่งอ่ะอยู่ๆอ่ะมันสติอ่ะมันเข้าไปเห็น ในตัวรู้ที่รู้เองโดยที่ไม่มีตัวเราเลยอะค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แป๊บเดียวอันนั้นเห็นแค่แป๊บเดียวเหมือนมาให้รู้ว่าเห็นรู้ตรงนี้แล้วแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละเราปฏิบัติเพื่อจะไปให้ถึงรู้ตรงรู้ที่ไม่มีเราเนี่ยแหละ mm hmm. อ่ะแล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนเจตนาที่จะเข้าไปรู้อ่ะมันน้อยลงส่วน อีกรู้หนึ่งอะที่ว่ารู้โดยธรรมชาติมันมันมาผสมมันเห็นบ่อยขึ้นมันเหมือนมันเข้ามาปนกันมีทั้งเจตนารู้ทั้งไม่ได้เจตนาที่จะรู้อะคะ่ะแล้วทีนี้มันเริ่มแยกไอ้สองรู้เนี่ยมันเริ่มแยกแยกแยกออกจากกันนะคะหลวงพออจนมาเหลือมันเหลือรู้โดยธรรมชาติอย่างเดียวเนะะี่ยค่ะที่ว่ามันเมื่อวันที่สิบเจ็ด คุพาที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะนั่งทํางานอยู่ค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยอยู่ๆจิตมันก็เห็นเองอ่ะโดยที่หนูไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะมันเห็นหนูจําไม่ได้ว่ามันคืออาการอะไรแต่มันในจิตณตอนนั้นอ่ะคือมันรู้หมดมันมันหมายถึงทุกอาการนะคะอืมันจับไปกองอยู่คือมันไม่ได้เห็นด้วย ด้วยตาเนื้อนะค่ะคุวงพ่อในจิต อ, อ่ะ ม, มันเห็นว่าอาการมันอยู่กองหนึ่งอ่ะแล้วมันก็แบบอุทานทั้งอุทานแบบเฮ้ยโอ้โ oh, หแบบนี่เราไม่เคยแยกตัวเองออกมาจากอาการแบบนี้นานมาเท่าไหร่แล้ว อ, ะอ่ะเหมือนมันมันหมายถึงว่าตั้งแต่ไม่รู้คิดพบกิชานแล้ว อ, ะอ่ะ ม, มาจนถึงตอนเนี้ยโหเราไม่เคยแยกมันออกมาเล็ดได้เลยเหรอเนี่ย เราเข้าไปหลงเข้าไปในไอ้กองเนี่ยมันเห็นเป็นก้อนกองกองอะคุณพ่อนานนานมากเลยมันมันโขมันเป็นแค่นี้เองเหรอมันเหมือนอุทานไปด้วยแล้วมันก็สะดุ้งตกใจแบบเหมือนที่มันตื่นอะคุณพ่อมันอธิบายไม่ถูกมันตกใจมันพูดอยู่คนเดียวนั่นแหละแล้วมันจะมีแบบอยู่ช่วงเวลานึ่งอะมันมันรู้สึกเลยว่ามันไม่มีเรา ไม่มีเราแล้วอ่ะแล้วแล้วทีเนี้ยหนูก็แบบมาแบบมันเป็นไปได้ยังไงมันใช่เหรอมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแต่ตอนนั้นอ่ะไอ้เวบนึงอ่ะมันจะเห็นเด่นชัดมากว่ามันไม่มีเราเลยนั่นแหละแล้วในช่วงเวลานั้นหลังจากเกิดอาการตรงนี้ไปอ่ะมันเห็นอะไรอ่ะมันน้อมว่าแบบมันไม่ใช่เรามันไม่มีเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอย่างเนี้ย ตลอดเลยค่ะที่หนูพิมพ์ไปบอกหลวงพ่อคะ่ะ mm hmm. ว่าช่วงนี้จิตมันน้อมไปแต่ว่าเห็นอะไรมันเป็นไม่มีเราหมดเลยค่ะแล้วมันก็รู้ของมันเองไม่มีเจตนาอะไรจะไปรู้เลยที่หนูพิมพ์อธิบายหลวงพ่อไป mm hmm. แล้วอาการตรงนั้นที่มันที่ว่ามันตกใจว่ามันมันเห็นอาการที่โหเราเข้าไปหลงคือมันแยกแยกชัดเจนมากเลยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. อาการมันเป็นอีกกองหนึงไปเลยอะ่ะไอตัวที่ ตัวที่รู้อยู่เนี่ยมันก็เป็นอีกอันหนึ่งอะค่ะหลวพ่อแล้วแล้วมันก็เห็นแต่ว่าไม่ใช่เราตลอดเลยแต่ว่าหนูก็เลยไม่ไม่เชื่อมันตอนนั้นแบบเอ้ยมันมันเป็นไปได้ยังไงมันมันจะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอแต่ไอ้นะช่วงขนาดจิตเหนื่อมันบอกไปแล้วว่ามันไม่มีเราอันนั้นนมันชัดเจนมากหลังจากจบไปแล้วหนูถึงคิดว่าแบบ มันมันใช่เหรอวะออย่างเงี้ยหนูก็คิดมันมันใช่เหรอมันจริงเหรอมันฝันไปหรือเปล่าเนี้ยมันเหมือนมันไม่เชื่อค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็จะดูจะดูมันไปอย่างนี้เรื่อยๆแหละเหมือนมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราเคยโหยหามานานเราแสวงหาหนทางมานานแล้วอยู่ๆมันมาเกิดขึ้นกับเรามันก็เลยเหมือนแบบ มันจริงเหรอประมาณ น, นี้ค่ะหลวงพ่อ<ม>หนูก็แบบมันก็กลัวโดนหลอกเนาะ<ม>แต่แต่ละจิตท่านอจิตนะตอนนั้นน่ะมันชัดเจนไปแล้วอะ<ม>่ะมันมันแค่แบบช่วงหนึ่งว่าแบบไม่ใช่เลยไม่ใช่เราไม่มีเรา<ม>ที่ว่ามันอุทานเองอะค่ะหลวงพ่อค<ม>่ะแล้วทีนี้มันก็รู้รู้เองแบบธรรมชาติไปเลยอ่ะไม่มีตัวเราเข้าไปปฏิบัติเลยค่ะหลวงพ่อ จากก่อนหน้าเนี่ยแรกๆอะ่ะมันก็ก่อนที่จะเกิดเอ้สภาวะที่ไม่มีไม่มีเรามีแต่รู้ธรรมชาติเนะะี mm ่ยค่ะที่มันแยกอาการออกมาให้เห็นชัดเจนว่าเราเข้าไปยึดอะ่ะ mm hmm. คือก่อนหน้าเนี่ยมันก็เหมือนคนไม่ปฏิบัติอยู่แล้วอะ่ะ mm hmm. แต่พอมาหลังจากที่เห็นเอสภาวะที่มันแยกอาการออกว่ามันไม่ใช่เราเลยแล้วมันไม่ยึดเข้าไปยึดอะไรในอาการเลยอะ่ะมันยิ่งมันยิ่งไม่ปฏิบัติเลยคะ่ะหลวงพ่อ mm hmm. มันไม่ต้อง รักษาอะไรเลยอืมนูก็ไม่ต้องรักษาเพราะว่ารู้มันทํางานของมันเองโดยธรรมชาติอืไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องประคองรู้ไม่ต้องอะไรรักษารูกอะไรทั้งนัธรรมชาติเลยอืใช่ค่ะหลวงพ่อแบบมันก็เหมือนคนปกติทั่วไปแต่ว่ามันไม่มีอาการเข้าไปยึดไม่มีเจตนาเหมือนทุกอย่างไม่มีเจตนาอะไรทั้งนั้นเลยอืม ไม่มีความตั้งใจที่จะไปรู้พอรู้มันรู้ของมันเองโดยธรรมชาติเลยมันมันอิสระอะค่ะหลวงพ่อไม่ต้องทําหน้าที่อะไรอีกแล้วอะค่ะมันมันจะเป็นแบบนั้นอะค่ะแต่ว่าหนูแรกแรกหนูก็มันเหมือนมันคิดมันขุดขึ้นมาว่าทุกอย่างมันเป็นแค่อาการแม้กระทั่งไอ้สภาวะนั้นหนูก็เลยแบบไม่ได้สนใจต่อไปจนจนได้มา โทรคุยกับหลวงพ่อเมื่อวานเนอะแล้วหลวงพ่อก็เลยเล่า ว, ว่าตอนหลวงพ่อเป็นมันแบบนี้หนูก็เลยแบบอ้าวหนูก็เป็นแต่หนูไม่ได้สนใจมันหนูเห็นมันเป็นแค่อาการแล้วก็เหมือนอไม่ไม่ค่อยอยากแต่ ก, ก, กลัวกลัวหลงหรือเปล่ามันจริงเหรอทําไมมันง่ายขนาดนี้มันเร็วไปไหมอะไรเงี้ย <laughs> ค่ะค่ะก็เลยแต่เมื่อวา น, นเหมือนมันก็ยังสับสนแบบงงๆแต่วันเนี้ยมัน มันทบทวนไปดูมันเห็นเองอ่ะทบทวนไปดูตั้งแต่ที่เราปฏิบัติมาค่ะเพราะว่ามันพลาตรงไหนเราต้องเราต้องไหนที่แบบเราก้าวหน้าคือมันจะเห็นหมดเลยอย่างที่หลวงพ่อบอกอะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยมั่นใจขึ้นค่ะ <c oughs> มันเริ่มเกิดความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆค่ะ <c oughs> <c oughs> ว่ามันไม่ผิดแต่ผมก็จะดู อย่างเนี้ยปฏิบัติไปจนตายค่ะพ่อแล้ ว, แ ล, วแล้วเห็นไหมตอนตอนไหนมันเป็น อ, อ, อัตโนมัติตอนไหนรู้รู้ว่ามันเป็นอัตโนมัติยังไงตอนไหนแบบไหนก็นเวลาที่มีบบอารมณ์ต่างๆหรือมีความคิดมีความปรุงแต่งคือมันไอธาตุเนี่ยไอขันเนี่ยมันปรุงของมันปกติเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะหลวงพอ่อแต่ว่ามันมันไม่มีเรา เข้าไปยึดอะแล้วเรารู้อะมันก็รู้การทำงานของขันของมันเองอะเรามันรู้ว่ามันเห็นขันทำงานโดยที่เราบังคับไม่ได้อะค่ะพ่อมันก็เลยไม่ได้เข้าไปสนใจอะไรตรงนั้นเลยคือมันแยกชัดเจนไปเลยค่ะว่าอันนั้นคืออาการเรารู้มันก็เข้าไปรู้เฉยๆรู้แบบรู้ธรรมชาติโดยที่หนูไม่ได้เข้าไปจ้องมันเห็นแบบนั้นนะคะที่ว่ามันเห็นอัตโนมัติอะค่ะเวลามองอะไรหรือ ได้ยินเสียงเสียงใครพูดแล้วมันกําลังคิดหรือมันกําลังจะองค์รู้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันมันเข้าไปเห็นทันทีแล้วมันก็ดับไปเลยอะค่ะแล้วมันก็จะรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยตลอดตลอดอะค่ะตอนตอนที่มันมันเฉยเหมือนไม่ได้ภาวนาเหมือนคนไม่ได้ภาวนาเหมือนภาวนาไม่เป็นนะตอนนั้นนะตอนที่มันว่างมันเฉยเนี่ยอ่าหมายถึงยังไงนะคะหลวงพ่อขอร้องตอนที่มัน มันเฉยทีแรกมันจะเฉยก่อนเออเหมือนเหมือนเราได้ภาวนาหรือเปล่านี่ไงก่อนใช่ไหมทีแรกนะเดี๋ยอมันมันละเอียดเข้าไปอ่ะมันละเอียดเข้าไปเรื่อยอ่ะอ่าค่ะอืมตอนตอนนั้นมันมันเหมือนคนไม่ภาวนามันรู้เฉยอืมก็มันมันเรียบเรียบมันเขาเรียกจะเรียกอะมันรู้แบบบางบางอ่ะพาเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมานิดนึงมันก็เข้าไปรู้ รู้แบบรู้เริ่ม ม, ม, มันเริ่มแยกมันเริ่มแยกนะคะหลวงพ่อตรงเนี้ยมันละเอียดมากเลยอ่ะมันเริ่มแยกไอ้รู้โดยธรรมชาติอ่ะมันมันเริ่มเป็นเองเรื่อยๆแต่มันก็รู้ว่ายังมีตัวตนเราอยู่ค่ะหลอมันมันมันละเอียดมากค่ะช่วงช่วงเวลาเนีมน้มันมันรู้ธรรมชาติก็จริงแต่ว่าเรายังสงสัยอยู่อ่ะ เรายังไม่ม <ทำ S 2> ั่นใจอ่ะมันทางที่มารู้ธรรมชาติแล้วอ่ะมันยังหลงอยู่นั่นแหละตัวมันยัง <similar S 2> มีหลงอยูม <Jenny S 2> ่มันยังไม่อ่ามันยังหลงอยู่หลงอันละเอียดเนี่ยหลงอันละเอียดอันนี้หลงอันละเอียดนะอ๋อนะหลงอันละเอียดคืออันนี้แหละละเอียดมากเลยค่ะถ้าาไม่มีคนบอกมันก็ไปไม่เป็นนั่นแหะเพราะว่าถ้าอย่างนี้มันต้องคอยบอกไปเรื่อยอย่างเงี้มันถึงจะจะไม่เสียเวลาอ่ะอื คุยกับหลวงพ่อนี่วันเว้นวันช่วงนั้นอ่าเนีกดมันก็มันก็มีประโยชน์อย่างนี้แหละเนี่ยมันต้องมีคนบอกแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันมันละเอียดมากช่วงที่ว่าเหมือนไม่ปฏิบัติแต่ตอนแต่ตอนนั้นยังหลงอยู่มันยังที่ที่มันที่รู้ว่ามันยังไม่ยังไม่หมดยังไม่ขาดอ่ะเพราะว่ามันเวลาปุงอ่ะ มันยังมีตัวเราขาดมันยังมีเราอยู่เออมันยังมีเราอยู่อยู่ในความปุงแต่งนะมันมีเราเนี่ยล่ะคือทําทําวิธีนี้เน่ะมันจะไม่หลงแบบนี้เนี่ยมันจะไม่หลงอย่างนี้หรอกเพราะมันรู้มาตลอดใช่ไหมล่ะมันมันจะไม่หลงเพางั้นเถอะถึงจะละเอียดขนาดไหนมันก็ไม่หลงเพราะว่ามันรู้อยู่ตลอดเนี่ยมันก็ยังรู้อยู่มีก็ยังว่ามีอยู่ยังไม่หมดมันรู้อยู่ตลอดนะถ้าถ้าทําไม่ทํำถ้าทําอีกวิธีนึงอาจจะหลงได้นะ อนถ้าทำวิธีนี้ไม่หลงเพราะมันรู้ตลอดเออมันยังมีอยู่นี่ยมันยังมีเราอยู่นะมันจะรู้ตลอดมันมันมันเหลือมันบางแล้วก็รู้ว่ามันบางนะมันน้อยลงกับรู้นะมันรู้ตลอดเลยอันนี้นะใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วในชีวิตจริงก็แบบเปลี่ยนไปเมื่อก่อนมันจะฟุ้งคิดในทำทำมาค่ะมันก็แบบจะคิดปุ้งในทำไปเรื่อยคิดทำมานะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ตอนนั้มันไม่เห็นตัวเองอะค่ะออื อืมแล้วพ่อมาทำให้ที่หลวงพ่อแบบมันหายไปเลยอ่ะไอคิดอบทวนไต่ตองธรรมะต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไอพวกชอบคิดเรื่องหนูเออเอออมันมันมันไปได้ยากจบจะไปคิดออกงั้นมันมันโอกาสที่จะเป็นมันยากนะไม่รู้ว่าอีกอีกเมื่อไหร่นะอ่ามันไม่ได้หยุดมันไม่หยุดหยุดดูเฉยๆอย่างนี้อืายิ่งคิดอัตตามานะก็สูงนั้นแหละขนาดคิดได้ทำอะค่ะว่อ มันมันหมดไม่เป็นมันหลงว่าตัวเองเก่งนั่นแหละหลงว่าตัวเองรู้แล้วแหละรู้อ่าใช่ค่ะมันหลงว่าตัวเองรู้แบบทํามาขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยโอ้มันคมมันอึกโอมันหลงพอมันตอนมันหลงแต่พอมาทําแบบหลวงพ่อแบบหนูเปลี่ยนไปไปเลยอ่ะมันมันไม่ได้แบบฟุ้งในในเรื่องธรรมะไม่ได้ขบคิดอะไรขนาดนั้นแล้วแล้วมัน ไอ้ที่ว่าเราหลงว่าเรารู้อ่ะมันก็ค่อยๆลดลง ม, มานะก็ลดลงมันลดลงเรื่อยๆทุกอย่างยค่ะ ม, ม, มันมันรู้โดยที่ไม่ต้องคิดเนี่ยวิธีนี้ก็อยู่กัรู้โดยที่ไม่ต้องคิดอ่าเห็นแบบเห็นเห็นเลยอ่ะอในชีวิตเนี่ยจริงๆที่ดำเนินอยู่นีแ่แหละค่ะมไม่ต้องหลับตาเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดพิจารณาอะไรเลยแค่รู้ในสิ่งที่มัน ปรากฏให้เราเห็นจริงๆตามธรรมชาตินะคะแล้วทีนี้เอ้าวในเมื่อเราไม่ได้พิจารณากายไม่ได้พิจารณาอสุภะทําไมมันมันถึงไปได้เอ้าไม่ได้พิจารณากายไม่ได้พิจารณาอสุภะมันก็เลยไปได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ตัวตนเข้าไปปรุงแต่งอะค่ะหลวงพ่ อ, อ ม, มันแค่รู้ตามความเป็นจริงแบบรู้ก็รู้แค่นั้นรู้เฉยๆมไม่ได้ปรุงแต่งอะไรอะค่ะ เพราะว่าตอนที่หนูพิจารณามันก็ยังใช้สังขารใช้ตัวตนอ่ะเข้าไปปรุงให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่พอมารู้เฉยๆเนี่ยเราไม่ได้เอาตัวตนเข้าไปปรุงมันมันเป็นรู้ที่มันมีอยู่แล้วอ่ะในในเราอ่ะค่ะมันมันมันมันจะมีรู้อยู่แล้วอ่ะก็คือสติอะค่ะหลวงพ่อสติที่มันมันรับรู้พอรู้มันก็แค่จบ มันยังไม่ทันได้ปรุงหรอกคะ่ะมันดับไปตั้งแต่ก่อนปรุงแล้วทันทีนที่แบบเรารู้ในสิ่งที่มากระทบใจเราอะค่ะมันก็ดับแล้วยังไม่ทันปรุงเลยคะ่ะมันดับไปก่อนแล้วไม่ต้องไปปรุงต่ออะไรเลยแล้วที่เราพิจารณากายหรือว่าไปพิจารณาสิ่งที่เราปรุงรอะมันก็คือยังใช้ตัวตนเราปรุงเพราะว่า มันเกิดจากความคิดอะค่ะอเราคิดแต่ที่มนุษย์เฉยๆอะมันมันเกิดจากคิดโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วที่มนุษย์มันคิดอะค่ะอืมพอสติมันเข้าไปรู้ความคิดนั้นอะมันก็ดับแล้วอะไม่ต้องเอาอะไรไปโกงพอมันดับปุ๊บตัวมันไม่ได้เอาตัวตนเข้าไปปฏิบัติตัวตนมันก็ลดลงลดลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราเอาตัวตนเข้าไปปฏิบัติอมันเอาธรรมชาติที่มีรู้อยู่แล้วกับ ธรรมชาติที่มันแสดงให้เราเห็นน่ะอืปฏิบัติของมันไปโดยธรรมชาติเองไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรอตัวตนมันก็เลยลดลงหนูหนูแบบเห็นแบบนั้นนะคะนี่นี่คือเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมเราไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมเนี่ยเพียงจะดูมันทําใช่ค่ะดูมันทําอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนี้ยิ่งไม่ทําอะไรเลยค่ะอไม่ทําอะไรทั้งนั้นอืม ก็มันรู้ของมันเองอ่ะค่ะสติมันก็รับรู้ของมันเองอืมันก็รู้รู้มันก็รู้เป็นธรรมชาติรู้มันรู้มันก็รู้โดยธรรมชาติของมันอาการที่แสดงมันก็แสดงโดยธรรมชาติของมันอคนที่ที่ไปจะไปว่ารู้อันนั้นเป็นเราก็ไม่มีว่าปว่าอาการผู้ที่แสดงนั้นเป็นเรามันก็ไม่มีมันก็เป็นธรรมชาติของมันทั้งสองอย่าง อใช่ค่ะหลวงพ่อไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยทั้งอมันเป็นเหมือนกันหมดทั้งธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ข้างนอกเนี่ยกับธรรมชาติที่รู้ตัวเนี่ยที่มันอยู่มันมีอยู่ของมันอ่ะมันก็เป็นธรรมชาติทั้งสองอย่างอืเพราะว่าเราบังคับมันได้ถือเอาอะไรไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อมันทํางานของมันเองทุกอย่างเลยอ่าก็เลยเลยมีแต่เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นทุกสิ่งอย่างก็เลยเป็นธรรมชาติ อ่ามันเหลือเหลือแต่รู้ที่ไม่มีตัวตนรู้รู้ที่ไม่ไม่จ้องระวังรักษานะรู้อันนี้นะเป็นอิสระนะไม่ไม่ต้องระวังเลค่ะเป็นอิสระแล้วก็ไม่ไม่ทุกร้อนกับอะไรที่มันมากระทบเลยค่ะมันไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยมันจะเกิดอารมณ์เกิดความคิดที่ต่างๆแบบมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอ่ะมันมันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกผิด มันไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยึดอะไรเลยไม่ได้ทุกข์เพราะความคิดไม่ได้ทุกข์เพราะอาการอะไรทั้งหลายมาหลอกมาลวงไม่ได้ไม่ได้ไปทุกข์อะไรกับมันไม่เพราะมันไม่ไม่มีไม่ที่มันไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีตัวตัวตนหรือเปล่าใช่ค่ะหลวงพ่อมันไม่มีตัวตนเพราะว่ารู้มันรู้ตามธรรมชาติอยู่แล้วว่ามันเป็นแค่อาการนะคะมันไม่เข้าไปหลงในอาการอีกแล้วค่ะหลวงพ่อมัน มันก็แค่รู้ของมันเองขนาดรู้มันก็ยังรู้ของมันเองเลยอาการมันก็เป็นของอาการของมันเองมันแยกชัดเจนค่ะออมันมันก็เลยแบบเหมือนอยู่ตรงกลางตลอดเวลามันก็เลยไม่ได้ทุกข์ค่ะใช่ไหมแล้วแล้วจริงอย่างที่ท่านว่าหรือเปล่าใครทำถึงให้ถึงทาใครใครทำทจิตให้ถึงซึ่งความเป็นกลางได้คนนั้นจะพ้นจากทุกข์มันถูกไหมทีนี้ถูกค่ะถูกแบบเป๊ะตรงเลย เพราะว่ามันก็เนี่ยอยู่ตรงกลางตลอดเวลาเลยค่ะไอขันมันก็ทําหน้าที่ของมันไปมันก็มันก็มีตรุงแต่งมันก็ปกติของมันมันยังมีแบบกายนี้มันยังมีร่างกายนี้อยู่โอมันตอมอย่างที่หลวงพ่อสอนเลยแต่ตอนที่หลวงพ่อสอนมันก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรขนาดนี้นะคะทีนี้มันพอมันเป็นอย่างเงี้ยให้ให้เรามารับรู้เองอ่ะโอ้โหไม่มีตัวตนไม่มีเรา คือไอ้เขาว่าไม่มีเราอ่ะใครๆก็พูดได้แต่ถ้ามันไม่เห็นเองอ่ะมันจะมันจะไม่สามารถมั่นใจได้เลยครัว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆแล้วมันก็ต้องอมันต้องรู้เองเป็นเองเห็นเองมันถึงจะหายสงสัยเองถ้าไปถามใครมันก็ไม่หายสงสัยหรอกเพยังไม่เป็นใช่ไหมหนูพออ่อหนูแบบโหอเข้าใจแล้วว่าทำไม คือแบบเราถึงกล้าพูดได้ขนาดนี้คือมันมั่นใจขึ้นนะคะคือตอนแรกๆมันที่บอกว่ามันไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ามันเร็วอะไรขนาดนั้นอืแต่แช่วงขณะติดนัน้นมันมั่นใจไปแล้ว อ, อ, อืแล้วเชื่อหรือยังเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีสติปัฏฐานสี่เชื่อหรือยังเชื่ อ, อ, อแล้วะค่ะอืมันไม่มีอะไรสงสัยแล้วค่ะหลวงพ่อมันเห็นด้วยเองเลย ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติหมดเลยค่ะแล้วก็มันจะอยู่กับปัจจุบันตลอดเลยค่ะปัจจุบันมันก็ไม่ยึดใช่ไหมอดีตไม่ยึดค่ะอดีตมันก็อนาคตก็ไม่ติดอดีตก็ไม่ไม่ยึดปัจจุบันก็ไม่ติดไม่ยึดอะไรสักอย่างก็ใช่ค่ะคืออดีตมันก็ยังมีมาให้กดมาเป็นปรากฏมาเป็นแบบความจำอะไรอย่างเงี้ยอนาคตมันก็ยังมีนะคะหมายถึงว่า สังขารอ่ะมันก็คิดไปถึงอนาคตแต่แต่มันไม่มีไปไปติดมันไม่ติดไม่ยึดเนอะไม่ติดค่ะมันมันแค่เห็นความคิดมันแค่เห็นมันก็เป็นแค่อาการหนึ่งความคิดอืมค่ะไอรู้ที่มารู้ธรรมชาติเนี่ยมันก็มันก็แค่รับรู้แต่มันไม่ได้เข้าไปยึดอ๋อมันไม่มีตัวตนเข้าไปยึดอะค่ะมันก็เลยไม่ได้ทุกข์อะไรกับอนาคตความคิดอนาคตกับความคิดอดีตที่ที่มันทุกข์ก็เพราะมันมีเราอยู่ในความคิดนั่นนหะ อยู่ในอาการท<ฆ>ั้งหลายน่นมันมีเรามีตัวมีตนนั่นจะถ้าถ้ามันไม่มีตัวตนหมดตัวหมดตนแล้วก็ไม่รู้ใครจะไปทุกข์เพราะมันไม่มีคนที่จะไปรับทุกข์มันไม่มีใช่ไหมเพราะมันไม่มีตัวตน<ฆ>ตัวก<ฆ>ูวววนั่นแหละอ่าอือแล้วที่หลวงพ่อส่งหลวงตามาหาบัวมาให้ฟังแบบที่หลวงมีช่วงหนึ่งที่หลวงตาบอกว่า มันเหมือนน้ำจิ้มบนใบบอลโอเคยได้ยินนะเมื่อก่อนไม่เข้าใจเลยแต่ตอนเนี้ยเข้าใจแล้วค่ะมันมันอยู่ด้วยกันอะแต่มันแยกออกจากกันชัดเจนนะคะมันไม่รวมมันมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันอื่ามันไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันอยู่ด้วยกันอยู่มันมันยังไม่ตายค่ะเอองั้นแหละมันมันยังอยู่ด้วยกันเพราะมันกายมันยังไม่แตกมันก็ต้อง ดูแลรักษากันไปอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วแล้วมันเป็นไงพี่มันมันแต่ก่อนคิดว่ามันเกินเอื้อมเกินฝันที่จะควยคว้าไปถึงเหมือนคุณนายว่าแล้วมันเป็นไงตอนนี้ตอนนี้มันมันเป็นจริงมันโอ้โหมันมันไม่เกินวิสัยของมนุษย์ค่ะอืเกิดมาแล้วทําได้ทุกคนแบบอย่างที่หลวงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์ก็เคยบอกว่าอย่าให้เสียชาติเกิด คือมันมั่นใจได้เลยเจ็ดวันนะนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีไม่เกินจากนี้มันถึงแน่นอนถ้าทําต่อเนื่องถ้าถ้ามีสติรู้อยู่ที่กายที่จิตนะก็นี่ละเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแต่ก่อนมันไม่รู้อยู่ที่กายที่จิตมันบริกรรมเอาความสงบอย่างเดียวแล้วก็ติดอยู่แค่นั้นใช่่ะใช่ค่ะอ่านั่นแหละที่ทําต่อเนื่องเนี่ยต้องให้มีสติรู้อยู่กับกายรู้อยู่กับจิตอืมให้มันต่อเนื่องอะค่ะออ เราลูกกายแล้วเมื่อเข้าไปเห็นจิตเนี่ยไปทันความคิดเนี่ยสติกับความคิดทันกันเท่านั้นเองเรื่องของเรื่องมีแค่นี้แหละอืมค่ะหลวงพ่ออ่ามันก็คือเราได้ปฏิบัติตลอดเวลาเออเนี่ยก็ทําได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับเท่านั้นแหละทําได้อ่าแต่ก่อนมันไม่รู้อ่ะมันที่มันมันเสียเวลานานเพราะเราไม่รู้วิธีนั่นแหละเราก็ไปทําแบบแบบนั้นมันก็เลยไม่เป็นอะไรให้แต่ถ้ารู้วิธีอย่างงี้มันก็ไม่เกินอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าไว้ละเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี่ะ อ, อ, อ๋อฮะมัน<ะ>มันแบบเหมือนฝันไปเลยค่ะหลวงพ่ อ, อเหมือนคนฝันแล้วตื่นมางงๆยังไงก็ไม่รูม้มันก็งงบ้างและใหม่ๆแล้วตอนนี้มันหายงงหรืยอยัง หายค่อยค่อยหายขึ้นมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะเออนั่นแหละทีนี้มันจะฟังเทศของครูบาอาจารย์องค์ไหนก็จะฟังเข้าใจหมดก็เหมือนคุณนายเขาว่านั่นแหละแต่ก่อนฟังครูบาอาจารย์ฟังไหนก็ไม่เข้าใจตอนนี้องค์ไหนฟังก็เข้าใจหมดรู้หมดเหมือนเข้าใจหมดแต่ก่อนไม่เข้าใจเรื่องนั้นตัวนี้เข้าใจหมดเลยเ น, นี่ยเนี่ยเนี่ยอือหลงพ่อหนูเห็นอีกอย่างแบบมันเห็นแบบเมื่อก่อนเรามีความแบบ อยากจะเป็นจนมันเกินอืเกินเกินไปอ่ะแต่ตอนที่มาถึงตรงนี้แล้วอ่ะกลับรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเลยสักอย่างทำยังถ้ายังเป็นอยู่ก็ไม่พ้นจากทุกข์ก็ยังมีตัวกูเป็นอยู่นะอ่าก็มีเราเป็นอีกถ้ายังเป็นก็มีเราเป็นมีกูเป็นอยู่อีกใช่ไหมอันนี้มันไม่มีกูก็ไม่รู้จะเป็นอะไรก็บมันมันไม่มีใครจะเป็นเพราะมันไม่มีกูค่ะ แล้วมันแบบว่าอยู่อยู่เงียบเงียบไม่สนอะไรอีกเลยว่าใครจะแบบมองยังไง อ, ะอ่ะอืมันไม่มีความสนใจในเรื่องข้างนอกเลยะคะ่ ะ, <อ>ะมันแตกต่างกันมากเลยค่ะอะมันก็จะให้มันเหมือนเดิมมันก็ไม่เหมือนนั่นนะโพราะ่าไม่เหมือนละคะ่ะ จิตมันไม่เหมือนเกิดใหม่อ่าจิตมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่จิตจิตอันเดิมแล้วมันเป็นเป็นคนใหม่ขึ้นมาจิตใหม่มันอะไรมันมันกจะให้เหมือนเดิมก็ไม่เหมือนแล้วนะอือ